เทศในเกินมณฑีส <favorite item> ี <urry> <alia> พฤศจิกายนพศ2 5น9ณวัดปาบันตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานัมสันโนพระพูติเจ้าทั้งสามพระองค์ที่ปรากฏตามตำนาน ซึ่งพอจะคาดคะเนได้บ้างตามหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้เริ่มแต่ปรารถนาพระโพธิญาณมานันคือว่าเริ่มปลูกสร้างพระองค์มาตั้งแต่บัดนั้น ความจาดธนามงตน้นเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นคือการวางรากฐานของพุท ธ, ธเทียบ ก, กับว่าตูต้นโถกจากนั้นมาก็พยายามบำรุงลำตน้นเสมอมาทุกชาตทุกพก โดยไม่ลดละความเพียรมีความอุตส่าห์พยายามแม้แต่เป็นสัตว์ก็ยังมีนิสัยโพธิยามปรากฏอยู่มเมือนเยมาเป็นมนุษย์ก็พยายามบำรุงลำต้นคือความปรารถนานั้นให้มีหลักฐานมั่นคงและเจองอกงามยิ่งขึ้นเป็นลำหนับลำหนับ จากนั้นมาก็ห้าร้อยชาติสิบชาตินี่วันแล้วตั้งแต่เป็นชาติที่พระองค์ทรงบำรุงลำต้นแห่งความป่าเถนาให้เจริญงอกางามมาเป็นระยะระยะถึงวาระสุดท้ายก็อุบัติขึ้นในกลุ่มกบิณฑบาต มีพระนามว่าสาิทธากราชกลกรมมาจากนั้นก่อเส ด, ด็จออกสมพระเหนือทำความภาคเพียรโดยไม่มีความอะไรเสียดายกับพระกายที่คลองกันอยู่กับจิตใจมีความมุ่งมั่นต่อความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นใน วาระจิทุกๆวาร ะ, ราะเวลาเสด็จออกมาแล้วความเขียนทุกๆประโยคไม่มีช่องไหนที่จะตำหนิพระองค์ท่านใดว่าเป็นไปเพราะความอ่อนแอจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้ามี่คือก่อน สำหรั้งมเด็จโดยสมบุรณ์ลำต้นคือความปรารถนาที่ได้ตั้งไว้และการบํารุงลําต้นได้แต่บาเพ็ญตามความปรารถนาของตนต ล, ตลอดมาโดยวิธีต่างๆซึ่งอยู่ในกรอบแห่งการบํารุงจิตใจให้มีความเจริญงอกงามแต่เป็นลําดับทั้งนั้นเป็นถึงขั้นได้จัดเซลแสดงว่าต้นโพธิพระองค์ท่านในทรง ตูกลรงด้วยความปรารถนาในบางตนและบำลุงมาเป็นลำดับได้ปรากฏผลขึ้นมาในวันเป็นเดือนหกจป็เด้นํำผลที่ปรากฏขึ้นเป็นที่พอพระไทนี้ได้แจกจ่ายแจกบรรดาสัตว์โลกทั่วๆไปทั้งสามหคือกรรมภคประรูภคประรูภค ไมได้ทรงอ่านในการแนะนำสั่งสอนและเมตตาจิตเจอบแก่มนัสสัตต์ทั้งหลายเพราะได้ทรงสร้างคุณงงามความดีมาเป็นเวลามากพอที่จะทำการแจกจ่ายแก่มนัสสัตต์ได้ทั่วถึงกันตั้งแต่ท่านผู้มีความปรารถนาและยึดถือเอาได้ตามกำลังของตนมากน้อยผล ทันยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากโพธิคือความจากสะลุของพระองค์ท่านยังสืบเนื่องตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ปรากฏว่ามีถึงแปดหมื่นสี่พันกระทำมขันมีร่อนแล้วตั้งแต่ดอกผลที่พระองค์ท่านได้รับแล้วผลกออกมาให้บรรดาตาดทั้งหลายได้รับประโยชน์ถ่ายทอดกันมาจนถึงพวกเราทั้งหลาย ก่อนหน้าที่ดอกผลอันมหาศจรรย์นี้จะได้ปรากฏขึ้นนั้นไม่ค่อยจะมีใครทราบว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระองค์มาอย่างไรบ้างมีความทุกข์ความยากลำบากแค่ไหนในภพชาติหนึ่งหนึ่งที่พยายามตะเกียบตะกายบำารุงลำต้นแห่งความปรารถนาตลอดมาจนได้มีความสามารถแจก้าถึงองค์แห่ง ความเป็นผู้รู้อย่างเต็มภูมิที่เรียกว่าศาสดาของโลกมีไม่ใคยจะมีใครรู้ร่วมรู้ราวจะรู้ก็มารู้ตอนที่พระองค์ท่านทรงประกาศย้อนหลังในครั้งนั้นครังนั้นได้ปรารถนาเปานั้นแล้วได้บำเพ็ญเทามาอย่างนั้นอย่างนั้นจนกระทั่งถึงความจัดสรุปทัาทุกทนจึงได้ทราบจากหลัก ทำที่พระองค์ท่านประกาศเรื่องของพระองค์เองซึ่งเป็นส่วนล่วงแล้วและฤยิตถือไว้เป็นหลักใจและเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการดำเนินตามภูมิของตนต่อมาตลอดทุกวันนี้มีการสร้างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นเจดีย์อันศักดิ์สิทธ ให้โลกได้กราบไหว้บูชาตลอดมาแต่และองค์ละองนั้นรู้สึกว่าเป็นการสร้างที่เต็มไปด้วยภาระอันหนักยิ่งทีเดียวที่นี่สามุกแต่และองค์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีขอสรุปเนื้อความลงเป็นศูนย์กลางทีเดียวว่าการสร้างคนให้เป็นคนดีนี่ รู้สึกว่าสร้างยากยากกว่าที่เราจะปลูกสร้างสิ่งต่างๆแม้จะมีราคาแพงก็ยังเป็นของที่ง่ายแต่การสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างตัวของเราให้เป็นคนดีสร้างพระสร้างเนนของเราให้เป็นพระเนนที่ดีมีรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ลำบาก ไม่น้อยสำหรับผู้สร้างสร้างให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าใกล้คิดติดกับธรรมะคำตงสอนของพระพุทธเจ้ายังแยกจากกันม่ออกด้วยความเชื่อมั่นภาในจิตใจรู้สึกว่าสร้างยากมากทีเดียวก่อนที่จะได้มีศรัทธามั่นคงในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นการสร้างประเภทที่กล่าวนี้ ผู้สร้างจึงไม่ควรจะนิ่งนอนใจเพราะผลที่จะพึงได้รับในอนาคตนั้นก็สมกับเหตุที่เราได้บําเพ็ญมารือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหนือสมบัติใดๆที่เราเคยได้รับจากเหตุคือการกระทามาดังนั้นท่าน ผู้เป็นนักศึกษาและนักนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดอย่าได้มองข้ามการสร้างตัวของเราแต่ละท่านละท่านถ้าหากมองข้ามตัวของเราไปเสียก็เท่ากับว่าเราไม่เห็นตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจิตได้ผ่านประยุ์ที่จุดไหนจุดใดจุดหนึ่งความสำคัญของจิตจะต้องปรากฏขึ้นทันทีว่า สิ่งนั้นนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็าตามก็จะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ควรจะต่อแสวงรวมความแล้วเรียกว่าเห็นสิ่งภายนอกมีความสำคัญยิ่งกว่าตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นคนนั้นก็ไม่มีความสำคัญในตนเองเลยกลายเป็นคนไม่สำคัญไปเสียทุกแห่งทุกผลทุกอียาบทที่เพื่อนไว้ไปมา นับตั้งแต่ตั้งครบตั้งชาติขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายจนกระทั่งถึงอาวสานแห่งชีวิตคือความตายมาถึงเข้าไม่ปรากฏว่าได้เจอความสําคัญภายในตัวของเราเองแม้แต่วาระหนึ่งหรือขนาดผลที่จะพึงได้รับสําหรับคนนั้นก็คือสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารเมื่อสิงได้ผ่านเข้ามาภายในตัวของเราจะเป็นสมบัติ ในด้านวัตถุ ก, ก็ดีเป็นอารมณ์ภายในใจก็ดีก็จะเป็นสิ่งไม่เป็นสาระแผ่นสารทั้งนั้นเพราะเราเป็นคนไม่สําคัญมองข้ามตัวไปเสียในจุดที่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเห็นสําคัญอย่างยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายภายในตัวของเราเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุที่จะให้มีความตระหนักใจ สนใจต่อการสอดสองมองดูตัวของเราแล้วจะได้หาอุบายวิธีบำเพ็ญและแก้ไขสิ่งที่ตนเห็นว่าบกพร่องสิ่งที่เห็นว่าดีแล้วก็จะได้บำรุงให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปภายในกายวาจาใจของตนนี่คือว่าการสร้างสร้างตนสร้างอย่างนี้ และเป็นความลำบากมากยิ่งกว่าการสร้างวัตถุสิ่งอื่นใดทั้งหมดแต่ผลที่ได้รับจากการสร้างด้วยความยากลำบากนั้นจะเป็นผลที่พึงพอใจและเป็นผลที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าผลทั้งหลายที่เคยผ่านมาพระพุทธเจ้าท่านสร้างพระองค์อย่างเต็มภูมิแล้วขอนำสมบัติที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการสร้างพระองค์นั้น มาประกาศหรือประธานแก่โลกให้เป็นแนวทางเดินจนถึงได้รับผลเป็นที่พึงพอใจตามเสด็พระพุทธเจ้าไปได้ทันมีจำนวนไม่น้อยเราที่ได้รับมาดกคคือพระโอวาทซึ่งเป็นธรรมชาติที่ทรงรับรองไว้แล้วโดยถูกต้องและเป็นแนวทางเดินที่จะ ให้ถึงความสมบังโดยสมบูรณ์ได้ยจึงควมมรมีความกระยิ่มในหลักธรรมะที่เราจดจำได้แล้วนำมาปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมะที่ทรงชี้บอกไว้อย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่า ใจดวงที่รู้รู้อยู่นี้เรื่องทัยศก็ไม่มีอันใดที่จะปรากฏตัวยิ่งใหญ่เหนือจากใจดวงนี้ไปเรื่องความศักดิ์สิทธิ์วิเศษเมื่อได้อบรมให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่สอนไว้แล้วจะไม่มีธรรมชาติใดวิเศษ ศ, ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าใจดวงนี้ไปอีกด้วย อย่างที่เราทุกท่านได้มาอบรมศึกษาอยู่ในสถานที่นี้ก็ดีจะไปอบรมศึกษาอยู่ในสถานที่ใดก็ดีชื่อว่าการสร้างตัวหรือการบำรุงลำต้นแห่งความปรารถนาความสุขของตนเป็นชัน้นๆจนกระสังกระทั่งถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ของตน ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปสมดังความมุ่ง ม, มากปรารถนาที่ตั้งไว้ด้วยข้อปฏิบัตินีแเลยนี่ท่านเรียกว่าการบำรุงเหมือนเขาบำรุงต้นไม้ที่ปลูกขึ้นในสถานที่ต่างๆด้วยอาหารประเภทต่างๆจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอใจขึ้นมามีเราต้องการผลอันดีเยี่ยม จากหลักธรรมของพระพุทธเจา้าก็ควรจะบำรุงตนแม้จะยากลําบากดังที่เราท่านได้บาเพ็ญมาแล้วก็ดีหรือได้บําเพ็ญอยู่นบบัดนี้ก็ดีโปรดได้ถือว่าความยากลาบากอันนี้เป็นความยากที่จะก้าวจากความทุกข์ความลําบากทั้งหลายไม่ใช่ความยากเพื่อจมดงหาของทุกข แต่เป็นความยากลําบากเพื่อจะข้ามพ้นจากทุกข์ทั้งหลายไปจึงไม่ควรทาความท้อใจและทำความหนักใจต่อความทเกเยาตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ของตนโดยทางความเพียรการอดนอนก็ดีการผ่อนอาหารก็ดีการอดอาหารก็ดีเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการบำรุงดาต้น เพื่อจิตใจของเราได้รับผลอันดีเข้าไปสนับสนุนตนเองแล้วจะปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาเป็นลำดับลาดับนับตั้งแต่เริ่มประพฤติปฏิบัติเป็นต้นไปเครื่องอุปกรณ์ที่เราบําเพ็ญอยู่ในเวลานี้นี่แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเพราะเป็นปุ๋ยอันดี กับจิตจิตใจของเราคำว่าธรรมะแล้วเมื่อเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ใดจะไม่ทำความแถลงและเดือดร้อนให้แก่ผู้มีธรรมะนั่นเลยเมื่อเป็นฉนั้นความทุกข์ความลำบากที่เกิดจากการบำเพ็ญของเราก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เสนียดชันได แต่เป็นอุบายวิธีของผู้มีความเฉลียวฉลาดจะหาอุบายวิวธีต่างๆดัดแปลงตนเองจนเห็นผลประจักขึ้นมาภายในใจเท่านั้นไม่มีทางที่หายในการบำเพ็ญโดยวิธีเราดที่กล่าวมันผู้ที่จะข้ามพ้นจากทุกหรือผู้ที่ได้ข้ามพ้นจากทุกไปแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เหยียบไปกับกองทุกนี้เท่านั้น ไม่เดินไปกับทุกหาทางเดินไม่ได้ต้องถือทุกขเป็นทางเดินการทําความเพียรทุกประโยคต้องเป็นทุกเท่านั้นถึงชื่อว่าเป็นเหมือนกับเราหยิยบย่ําไปกับทุกเพื่อพ้นจากทุกขถึงความสุขอันยอดเยี่ยมแม้พระพุทธเจ้าของเราก็ทรงดําเนินมาเช่นนี้เหมือนกันไม่มีผู้ใดที่จะ หลีกเว้นจากทุกข์ไปได้แล้วไปเจอความสุขเป็นที่พึงพอใจเสียทีเดียวแม้แต่ลา ย, ลายหนึ่งไม่ปากฏนอกจากจะเยียบย่ำไปกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากความตะเกียบตะกายหรือความเพียนของเหล่านี้เท่านั้นเป็นทางเดิน แม่โลกเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยภคะสมบัติเขาก็ต้องเหยียบย่ำไปกับทุกการแสวงหาทรัพย์สมบัติไม่ว่าประเภทใดจะต้องมีความลำบากเป็นทางเดินเสมอกานกับทางธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีต้องเอาความทุกข์ความลำบากเป็นทางเดินก้าวเหยียบไปที่นั่นแหละ ความสุขไม่มีทางที่จะเดินนอกจากจะเป็นผลของความทุกข์ความลำบากในเวลาสักเกียวสักการนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าที่ประสบบรมสุขอย่างพอพระทัยก่อนเนื่องไปจากทุกขในเบื้องต้นที่บำเพ็ญนี้แล้วประปรากฏผลขึ้นมาดังอย่างนั้นน่น เราทั้งหลายผู้บำเพ็ญน เ, นเป็นศิษของพระพุทธเจ้าจะเดินให้กิดจากร่องน้อยของพระองค์โดยไปเที่ยวว่าเอาสุขมาก่อนหามมาครองอย่างนี้ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ต้องเอาสุขเป็นตัวเหตุเราต้องเอาทุกข์เป็นตัวเหตุหรือต้องเอาทุกข์เป็นทางเดินอ้าวทาความเพียรทุกประโยคต้องเป็นทุกข์ก็รู้ว่าเป็นทุกข์แต่ก็รู้ในขณะเดียวกันว่าทุกข์เพื่อความเพียรเพื่อความสุข ไม่จะทุกข์เพื่อความร่มจมแก่ตนเองจิ่งไม่มีทางใดที่จะวนตำหนิในประโยคแห่งความเพียนของขอ ง, ของตอนทุกประเภทเมืองตอนได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างตนเริ่มแต่พระพุทธเจ้าสร้างพระองค์เองมาลตลอดถึงสาวกแล้วย้อนมาถึงพวกเราที่เป็นอุบาสกติการและเป็นนักบวช เป็นพระเป็นเนมีเป็นการสร้างสิ่งสาคัญขึ้นภายในตัวของเราสร้างบ้านถ้าเราสร้างให้ดีแล้วปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกให้ดีอยู่ก็สบายไม่ว่าเราจะสร้างอะไรทั้งนั้นแนะ่ะถ้าทำให้ดีแล้วก็เป็นสุขถ้าทำไม่ดีแล้วก็หาความสุขไม่ได้ แต่การสร้างตัวนี้รู้สึกจะลําบากมากกว่านั้นอีกสร้างตัวให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นคนดีลําบากมากกว่าการสร้างภายนอกเพราะมีผลอันยิ่งใหญ่กว่ากันต้องทุ่มเทกําลังลงผิดกันอยู่มั้งผู้ต้องการผลอันยิ่งใหญ่ก็ควรจะเห็นความเพียรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประจำตน อย่าได้เห็นความพ้อแท้อ่อนแอความเอาตามใจชอบนั่นว่าเป็นทางเดินที่ราบรื่นและเป็นที่สะดวกใจเห็นว่าเป็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นทางผิดจากสวรรคตรัฐธรรมของพระพทุทธเจ้าจะไม่มีผลเป็นที่พึงพอใจเป็นเครื่องตอบแทนนอกจากจะเป็นทุกข์ที่เราไม่พึงปรารถนานี้เท่านั้นดังนั้นโปรดพยายามสร้างตัวของเราให้ดี ถ้าสร้างตัวของเราให้ดีสร้างตัวของเราให้มีศีลสร้างตัวของเราให้มีสมาธิสร้างตัวของเราให้มีภาวนามีสติมีปัญญาสร้างตัวของเราให้เป็นผู้มีความเสียสละเพื่อประโยชน์แก่หมู่ชนผู้และผู้เกี่ยวข้องได้ด้วยดีแล้ว จะไปที่ใดมาที่ใดไม่มีความเดือดร้อนมีแต่วความสุขกายสบายใจศีนคือความเป็นปกติของกายวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าศีนมีอยู่ที่ใจดวงเดียวก็ถูกศีนในหลักธรรมชาติแล้วจะมีอยู่ที่ใจ สมาธิคือความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้บำเพ็ญธรรมะผู้บำเพ็ญสมาธิจะต้องจัดต้องทำต้องทำให้เป็นชิ้นเป็นอันทำให้เป็นหลักเป็นฐานทำให้มีกดมีเต็มทำให้มีหลักมีแหล่งทำให้มีความมั่นคงทำให้เป็นที่ น่าดูน่าชมเป็นที่เย็น อ, อกเย็นใจแก่ตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำลงไปไม่ว่ากิจนอกการในทำลงไปด้วยความจงใจทั้งนั้นแม้จะทำความเพียรภายในจิตใจก็มีความมั่นคงเช่นนั้นเหมือนกันเนื่องจากหลักนิสัยที่ได้เคยฝังวงไว้แล้วด้วยความจงใจในหน้าที่การงานทุกด้าน เมื่อเข้ามาประกอบกับหน้าที่การงานภายในจะปราศจากความจงใจและความมั่นคงได้อย่างไรเนื่องมาจากใจดวงเดียวเป็นผู้บงการใจเคยเป็นผู้จริงจะแยกออกไปท่ไหนก็เป็นคนจริงเท่านั้นแยกออกไปภายนอกก็เป็นคนจริงการงานก็เป็นคี้นเป็นอันย้อนเข้ามาภายในความเพียรก็เป็นคิ้นเป็นอันเต็มเม็ดเต็มหน่วยในผลที่จะพึงได้ครับถูดถึงด้านปัญญาก็ พิจนาลงไปให้เห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างอยากเข้าใจว่ามีปิดที่ปิดบงังลี้รับไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบงังลี้รับเป็นของประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนตลอดอนันตการไม่มีสิ่งใดมีความปิดบงังลี้รับนอกจากเราจะไม่ใช้ปัญญาไต่ตรองดูตามหลักธรรมชาติที่ประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้น เราจึงจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวไปมาและความแน่นอนหรือไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆเป็นสิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่ตามสภาพของเขาและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตัวของเราโดยที่สุดในธาตุในขันท์ของเราล้วนแล้วแต่แสดงตัวอยู่ตามเรื่องของตนของตนที่เคยเป็นมาอย่างนั้นและเคยเป็นไปอยู่และจะเป็นไปอย่างนี้จนถึงวันสลาย ทางของสิ่งทั้งปวงที่ก้าวไปตามกฎของวัตจนั้นในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าอ น, นิจจังคือความไม่แน่นอนในทุกสิ่งทุกอย่างทุกครั้งถ้าหักหลงไปตามแล้วจะหาความสุขไม่ได้นอกจา ก, กนำทุกมาบีบคันตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่ไดบ อนาตตาสิ่งใดต้องเป็นสิ่งนั้นจะนำสิ่งนั้นมาให้เป็นเราจะนำเราไปให้เป็นสิ่งนั้นก็ไม่ได้ดินจะให้เป็นน้ำก็เป็นไปไม่ได้น้ำจะให้มาเป็นไฟก็เป็นไปไม่ได้ลมจะให้ไปเป็นน้ำเป็นไฟก็เป็นไม่ได้ต่างอันต่างจริงอยู่ตามเรื่องของใครของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของในสิ่งทั้งหลายตลอดทั้งโลกกระานนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจริง ไม่ขัดแย้งกับธรรมะที่พระองค์ท่านสอนไว้ว่าอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของพอจะเรียกว่าเป็นอัตมาขึ้นมาได้ทีเราได้รับความทุกข์ความลาบากข้อเนื่องจากว่านำสิ่งนั้นมาสวมกับเราบ้างว่านี่เป็นของเราแล้วนําเราไปสวมกับสิ่งเหล่านั้นว่าเราเป็นนั้นน่ะนั่นเป็นเราเราเป็นนั้นนั่นเป็นของเราเราเป็นของอั น, นั้น สิงนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราเราเป็นสิ่งนี้เราเป็นถึงนั้นเราเป็นของสิ่งนั้นนี่จับไปเที่ยวผสมผสมมันจึงเป็นเหตุให้เราคนปนเปกันไปหมดหาสิ่งที่จะเป็นไปตามหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของเขาโดยทางปัญญาของเรามันจริงไม่มีเพราะปัญญาไม่นําออกใช้หาปัญญาได้นําออกใช้แล้วไม่ต้องพิจารณาไปไกลกว่านั้นดูภายในเรื่องร่างกายของเราและจิตใจที่แสดงตัวอยู่นี้เราก็เห็น เรื่องวัตจักรมันหมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้อย่างชัดเจนโดยทำปัญญาของเราการเรียนปัญญาเรียนกับตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนกระดานำอยู่แล้วเวลานี้นอกจากเราจะอ่านให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเหล่านี้ได้หรือไม่หรือเราจะอ่านหรือไม่อ่านเท่านั้นมีปัญหาอยู่กับเราคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอนใดเป็นปัญหา มันเป็นปัญหาอยู่กับใจของเราผู้นี้เพราะฉะนั้นเรื่องวัตะจริงไม่มีอันใดเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าใจผู้เป็นตัววัตต์แท้เองทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาก็ตามแต่เขาหาได้มีความรู้สึกเขาหมาเขาไมายว่าเขาได้มีความแปรสภาพไปอย่างนั้นแต่รับความทุกข์คันมลำบา่งนั้นนั่นเห็นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม่มีสิ่งใดจะรับทราบภายในตัวเองได้ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนันแต่สิ่งที่ไปรับทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็คือใจของเราเอง นี่รับทราบรับรู้แล้วก็เป็นเหตุให้รับหลงไปพร้อมๆกันเครื่องผูดมัดนัดลึงกินสวมลอยเข้ามากับจิตดวงนี้จิตตรงนี้จึงให้ชื่อว่าเป็นเจ้าแหงวัฏจักรหมุนตัวเองอยู่อย่างนั้นหมุนไปกับสิ่งนั้นหมุนมากับสิ่งนี้ต้องการความสมบังแต่เพราะความคิดทของตอนนั้นเป็นความคิดที่ออกมาจากสาเหตุแห่งความไม่สมหวังเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้อะไรสมหังในโลกนี้ไม่มี นีการพิจารณาปัญญานี่สร้างปัญญาภายในตัวงเราสร้างอย่างนี้ดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้เราเข้าใจแล้วให้ทําเหมือนมันเขาคาดนาคาด จ, จนมูลคาดมูลไถแหลกไปหมดปลักดาต้นข้าวก็เขียวสดงดงามเพราะได้ปุ๋ยอันดีจาก การคาดนาละเอียดแหลกละเอียดดีนี่ปัญญาท่องเที่ยวให้แลละเอียดเท่าไหรก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักความเป็นจริงขึ้นมาทุกระยะระยะไม่มีอะไรที่จะขาดทุนเพราะการพิจารณาซ้ำๆสักๆพิจารณากลับไปกลับมานอกจากจะเสริมสติปัญญาของเราให้มีความสามารถแก้วกล้าลึกคล่องแคล่วว่องไวไปทํ า, าไม่มีอย่างใดที่จะทําความเสียหายจากการค้นคว้าพิจารณา ย้อนหน้าย้อนหลังปัญญาเกิดกับผู้ชอบเป็นนักไข่ครวนแต่ไม่ชอบคนขี้เกียดคนโม้ไม่หาอุบายพลิกแพงตัวเองถ้าเราจะสร้าง สรีงสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างมรรคผลมิภานด้วยความตั้งใจจริงๆก็โปรดได้สร้างลงที่ตามวิธีการที่วันจะไม่เสียความปรารถนาที่ตั้งไว้และจะเห็นผลเป็นลํำดับลําดับไปจากอํานาจของปัญญาพาดําเนินถึงเนื่องจากความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาถ้าได้ใส่น้ํามันเครื่องรอลื่นเข้าไปเป็นลําดับได้แก่วความเพียรสนับส น, นุนอยู่เสมอแล้ว จะมีความว่องไวคล่องแคล่วราบรื่นสิ่งที่เคยคุ่บรับจะผ่านไปได้ด้วยความคล่องแคล่ ว, วและแจ่มชัดในสิ่งนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังลี้ลับอยู่แล้วตามธรรมชาติของเขานอกจากใจตัวเองจะเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับตัวเองเท่านั้นทั้งนี้เพราะไม่นำปัญญาออกไปใช้ เนื่องจากปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสว่างสวยถ้าลงในนำไปช้าแล้วทุกสิ่งต้องเห็นด้วยปัญญาเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ด้วยอะไรตรัสรู้ด้วยปัญญาพ้นจากทุกข์ก็พ้นด้วยปัญญาไม่ได้พ้นจากอะไรสติกับปัญญานี้เป็นเครื่องแนบชนิดติดกันไปแยกกันไม่ออกความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอ มีอะไรบ้างเป็นที่น่าสงสัยในโลกในธาตุในขันของเราเราไม่ต้องดูกว้างมากก็ได้มันจะเสียไปนั่งเวลาหรือจะทำความเนิ่นช้าเราจะดูภายในตัวของเหล่านี้ข้สมบูรณ์แล้วให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายของเรามีสิ่งใดที่จะทำความรื่นเึิงบันเทิงพอให้นอนใจ อาการทุกอาการนี้มีความบกพร่องประจําตัวอยู่เสมอถ้าไม่รับการเยียวยาถูกต้องตามสิ่งที่เขาต้องการแล้วจะต้องแสดงอาการขัดข้องขึ้นมาภายในตัวของเราทุกที่แสดงขึ้นมาจากความขัดข้องนั้นจะเป็นเหมือนภูเขาทับดวงใจของเราให้รับความรุ่มร้อนไปตา่างถ้าพิจารณาดูให้เห็นชัดแล้วมันก็คือกองฆ่าสิบนั่นเองกองขัน น, นั่น ถ้าพิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงจนถอดถอนได้แล้วอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอันประเสริฐอันหนึ่งนั่นเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับจริงมาอื่นท่านจึงเรียกว่าสัจธรรมทุกสัตว์มันเป็นของจริงเป็นอย่างนี้คิดดูสิงูเป็นอาศราพิษตัวร้ายกาศทําไมเขานํามาเลี้ยงไว้สําหรับทําประโยชน์แก่โลกไดน้นี่ก็เนื่องจากความฉลาด คนโง่จะไปจับงูได้ยังไงมันกัดเอาตายมีกี่คนเข้าไปตายพ้องงูหมดนั่นไม่มีใครจะเหลือมาน่าจับลายหนึ่งถ้าคนฉลาดก็ถึงไหนถึงการนํามาทําประโยชน์ข้อหน้านี่ทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากเข้าใจว่าเป็นค่าสุบต่อเราโดยถ่ายเดียวนอกจากเราไม่มีความฉลาดที่จะนําไปใช้ในแล้วก็ น, นําสิ่งทั้งหลายลนั้นมาทําประโยชน์เพื่อตัวเองได้เท่านั้น พระพุเทธเจ้าท่ามีความฉลาดพอสามารถนําสิ่งทั้งหลายมาทําประโยชน์แก่พระงค์ได้แล้วยังสามารถนําสิ่งเหล่านั้นไปทําประโยชน์แก่โลกได้อีกจนไม่มีสิ้นสุดตลอดทุกวันเวลาจะเห็นว่าปัญญาเป็นของเล็กน้อยอย่างไรสร้างให้ได้สร้างให้สมบูรณ์สร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิถ้าสติ สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์ถ้าความเพียรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือเป็นเครื่องสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีจะไม่ผ่านที่ไหนนอกจากจะมาผ่านความรู้สุดแล้วสติกับปัญญาซึ่งอยู่ในฉากอันเดียวกันจะวิ่งรับกันทันทีวิ่งรับจัดการกันเลยที่จะน้าแยกหน้าแยกหลังให้รู้เหตุรู้ผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วส่วนที่ละละไปทันทีทันที ส่วนที่จุกเวนยึดถือเป็นประโยชน์รีบยึดเข้าทันทีทันทีจนสามารถมีความจนมีความสามารถเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลัดปัดทิ้งไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือตั้งแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันไม่มีอะไรจะมาเพื่อแสงอีกต่อไปน่าแก่พุทธะดังพระพุทธเจ้าของเรานั่นคือธรรมชาติตายตัวแท้จะเอาอะไรไปเพิ่มเติมเข้าอีกก็ไม่ได้จะเอาหยิบยกออกไปอีกนิดหนึ่งก็ไม่ได้ผิดกับหลักพุทธะที่สมบูรณ์ภายในตัวเอง นี่อ่ติปัญญากับความเขียนสามารถที่จะขัดเกลาสิ่งที่มีความหุ่มหอดอยู่กับจิตใจอันเป็นดวงวิเศษนั้นให้หมดไปได้โดยิ้่เชินไม่มีอันใดเหลือภายในจิตใจเราเราจะอยู่โลกไหนถึงจะอยู่ในโลกสมมติธรรมชาตินั้นก็ไม่ใช่สมมุติเราจะเป็นทุกข์กับอะไรทุกข์ที่เคยแฝงเข้ามาให้เราดิ้นดนกวนกระวลไปตาม มันก็ไม่สามารถทุกที่แฝงเข้ามาหรือทับเราเสียอย่างเต็มที่ดังที่เราเคยได้รับมาด้วยกันก็ไม่สามารถอาจเตื่อมที่จะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมุตินัน้เพราะคำว่าสุขคำว่าทุกนี้เป็นเรื่องของสมมุติโดยประการทั้งปวงธรรมชาติอันนั้นคือวิมุตติแม้จะอยู่ในสมมุติก็ไม่ใช่สมมตุติแล้วบรรดาสมมติทั้งหลายจะเข้าไปเกาะให้ติดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาได้อย่างไร นี่แหละท่านว่าพระพุทธเจ้าท่านประเสริประเสริฐกับธรรมชาติอันนี้เลยพาให้พระพุทธเจ้าประเสริพาให้เกิดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ยังไม่ได้ทำละให้พอตัวพาให้ตายในภพในชาติตั้งพบตั้งชาดไม่ทราบมากี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนก็คือธรรมชาติอันเดียวเท่านี้ไม่มีร้อยอันพันอันมาจากที่ไหนมีอันเดียวเท่านั้นเองเช่นเดียวกับปากกาอันเดียวนั่นอ่ะเขียนลงไปกี่หน้าขนาดมันก็เขียนได้ เขียนลงไปกี่ตัวมันก็เขียนได้เขียนวันดังคำมันก็เขียนได้อ่านจนไม่จบมันก็อ่านก็เขียนได้เราจะเข้าใจเรามีปากกาหลายอันเลยมีปากกาแท่งเดียวเท่านั้นแหละเขียนวันดังคำคืนยังลงเขียนไม่หยุดไม่ถอยอ่านไม่จบอื่แล้วแม่ทราบว่าร่องรอยเป็นเพราะเขียนดำแรงดำหรอกนี่เรื่องพบเรื่องพาตดจากใจอันเดียวกัน ดวงเดียวกันมันก่อแล้วก่อเล่าเหมือนกับเขียนหนังสือตัวเองจึงไม่สามารถจะนับอ่านได้มีกี่พบกี่ชาติเช่นเดียวกับบคุคคลที่เขียนหนังสือมากๆเินปัญหาที่อ่านไม่ได้อ่านไม่จบในหนังสือที่ตนเขียนเทียบเองลักษณะของพบของชาติที่มันเกิดขึ้นจากความโง่เ ง, ง่าของตัวเองนั้นมันเป็นอย่างนี้ เกิดมากี่พบกี่ขาดเป็นสัตว์กี่พบกี่ขาดเป็นคนกี่ขาดเป็นเท ว, เทวดาเป็นอะไรไม่รู้ล่ะชื่อว่าพบมาขาดแล้วเป็นเรื่องของจิต ด, ดวงนี้ทั้งนั้นไม่มีอันไรจะสามารถเข้าตั้งพ บ, บงตั้งผ่านได้นอกจากจิตที่เป็นดวงรุ่งหลงนี่เท่านั้นดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ไม่มีกี่ดวงมีดวงเดียวเท่านี้ตั้งหลายครั้งหลนผลมันก็เป็นหลายพบหลายขาดขึ้นมาเมืม่อยังเราเขียนหนังสือ เขียนไม่หยุดมันก็เป็นลายแถวลายหน้ากระดาษขึ้นมากองเพลินทีเดียวอันนั้นมันมองเห็นด้วยตาได้อันนี้มองมองเห็นเฉพาะอัตภาพนี้อัตภาพที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถมันมากต่อมากสลายลงไปสลายลงไปเขียนขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติแล้วสลายลงไปสลายลงไป เนื่องมาจากใจดวงเดียวนี่เท่านั้นไม่มีใจสองดวงสามดวงในบุคคลคนหนึ่งแต่เรื่องพบเรื่องชาตแล้วนับไม่ถ้วนเพราะจิตดวงนี้เป็นผู้ไปสวมเข้าร่างนั้นเกิดขึ้นมาล่างนี้แตกลงไปเกิดเรื่อยแตกเรื่อยดับเรื่อยถ้าทำนั้นแล้วไม่มีตัวไหนจะเป็นมะตตะ์้ายจะเกิดอยู่น้อยแปดพันประการตามพบตามชาติคนขาก็นามจิตตรงนี้ไม่มีความเ อ, เอ็นดีย ไม่มีความกลัวไม่มีความขยาข่ายา เ, เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ตัววัตาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วจะไปกลัวอะไรนะมีอำนาจแห่งการสร้างตัวเองสร้างให้ดีเต็มที่แล้วเป็นอย่างไรไหนก็ไปเถอะถ้าหลักใหญ่ได้ดีมั่นคงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็ดีไปตาม ถ้าหลักนี้เองทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจะเองไปตามหลักนี้ล้มละลายสิ่งทะหลายก็แหลกกระจายไปไม่มีอะไรนีเป็นชิ้นดีเลยเนี่ยการไม่มองข้ามตัวการมองดูตัวการสร้างตัวการอบรมตัวโดยความเห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่ายิง่งคือใจตรงนี้นั่นแหละเป็นจุดหมายที่ถูกต้องของการเพ่งหนึ่งแห่งนักปฏิบัติทั้งหลาย เราพ้นไปหน้าในชาตินี้ในวันนี้แหละเป็นดีที่สุดเพราะคำว่าสิ่งมัวหมองหรือสิ่งที่ชั่วช้าลามกแล้วเช่นเดียวกับไฟนั่นเองจะมีเพียงดอกไฟดอกเดียวกระเด็นมาถูกเราเท่านั้นเราก็รอดยิยงยิงเราเข้าไปนั่งอยู่ในกองไฟใช่เองเนี่ยล่างของเราทั้งล่างนี่จะเป็นอะไร มันก็เป็นเท่าเป็นฐานประทนันใใครจะไม่ต้องการจะอยากกระโดดออกจากไฟซึ่งกำลังพร น, นเรื่องทุกข์ทั้งปวงนั้นแหละเป็นเหมือนไฟถอดถอนได้หรือโดดออกได้ในวันนี้เป็นที่พอใจที่สุดแล้ว เราอยากเข้าใจว่าอะไรจะมีคะแนนเยี่ยมเยียในโลกนี้อีกยิ่งกว่าพบก่าชาติที่เคยเป็นมานจะมีแต่พบแต่ชาติทั้งนั้นเป็นคะแนนให้บุคคลผู้หลงจมอยู่ในวัฏสะ์เพราะไม่มองดูตัวของเรานี่แหละเป็นสมัติเป็นคะแนนสุกขก็ยังที่เราเห็นหน่ะคะแนนมากเท่าไหร่ทุกข์ก็ยังที่เราเห็นหน่ะเป็นคะแนนดีเท่าไหร่ ทุกขกับทุกข์เที่นนกันไปเป็นของดีเท่าไหร่เดีย๋ยวประมังสุขขังมีแต่สุขรวนนั้นต่างกันอย่างไรบ้างนี่เราตรดนำมาเที ย, ทยบกันเดี่ยวเป็นอย่าทันให้ลมหายใจนี่ได้หายออกไปแล้วไม่เข้านั่นคือคนตา่าง จะทําอะไรไม่ได้อีกแล้วเดินจงกรมอยู่ก็หยุดชะงักนั่งสมาี่อยู่ก็ล้มตูมถ้าถึงการ น, นั้นแล้วไม่มีใครจะสามารถอาจเพิ่มฝืนลมหายใจที่เข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าไปได้<ม>โลกนี้จะต้องมายุติกันนี้ด้วยกันที่นี่ด้วยด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะฝืนไปไะถ้าลมลมหายใจได้หยุดไม่มีความสืบต่อกันแล้วเขาเรียกคนตายด้วยกันเท่านั้นนัะน<ม>เราจะไปหวังออกคะแนนอะไรอีก คะแนนจากคนตายไม่เคยมีใครตั้งกันคะแนนต้องเอาจากคนไปการทำความดีต้องทำในขณะที่เป็นหนุนตายแล้วไม่มีเวลาทำผลมีเท่าไหร่ก็ได้สเสวยไปกันีพิจารณาลบบวกตัวเองมันจะมีผลอะไรเหลือมั้งหรือว่าลบจนเลยศูนย์ไปก็แห่มันรู้ไม่เสียหายที่ไหนเวลานี้เราต้องการทดสอบตัวของเรา มันจนเลยศูนย์ลงไปเอาตั้งขึ้นมาจนมันถึงศูนเลยศูนยข้าไปเป็นหนึ่งเป็นสองต้เลืดจนมาตั้งถึงนับไม่ถ้วนก็ได้ไม่นหนีจากการสร้างตัวนี้ไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้มีอำนาจสิกขาดภายในตัวของเราที่จะสร้างตัวระดับแปลงตัวเองได้ทุกวิถีทางไม่มีใครที่จะมีอำนาจวาสนามากยิ่งกว่าเราที่จะมาสร้างตัวของเราให้เป็นคนดีขึ้นได้นอกจากตัวของเรานีเท่านั้นจะเป็นอำนาจวาสนาสร้างตัวเองขึ้นมา เราอยาให้ได้ยินแต่ข่าวท่านว่าท่านนั้นสำเร็จพระโสดาส ก, ก, กีธาอันนาคาท่านนั้นเป็นสนอรหรันท่านนิพพานอยู่ที่นั่นท่านต ร, รัต่รูปที่นี่<ม>ขอให้ยินเป็นข่าวของเราสักทีเถอะการปฏิบัติมีอย่างไรข่าวของเราจะมีอย่างนั้นการปฏิบัติมีความรบอบคอบขอบเขตกับตัวเองเท่าไหร่นั่นแหละเป็นเรื่องที่จะวัดเอา มักเอาผลขึ้นภาในตัวของเราที่ดั่าวนั้นเป็นเรื่องของของท่านที่เราทนี่เป็นเรื่องของเราผลจะเป็นเช่นเดียวกันกันกบของท่านโดยไม่ต้องสงสัยขอให้ทุกๆท่านได้ตามความมั่นใจมองลงตึดสําคัญคือใจของเรา จาได้มองข้ามจุดสำคัญนี้ไปเราจะกลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาภายในตัวของเราโดยไม่ต้องคาดหมายจึงขอยึดกิธรรมเทศนาเพียนเท่านี้เอะ